ลมหนาวลมหนาวมาอีกแล้วผากสองเราได้ลมหนาวผากสองแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงเท่ากับไข่เด้ส่วนมากค้มเจ็บไข่เด้กป่วยกันมากกวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศข้มจริงคข้มเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั่นแปลว่าไข่ทั้งนั้น่ะแปลว่าเจ็บไข่เด้ป่วยข้มเปลี่ยนแปล ง, งนึ่งันเปลี่ยนแปลงอยู่ในร่างกายเทานั้น ไอเอิญว่าไข่ลวดอันมันห่อนก็ดีมันหนาวก็ดีมันฝนก็ดีอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการหมุนการเวียนของดินน้ำไฟลม่มเนี่ยล่มพัดมากนี่เห็นบอลพัดดีอยู่เนี่ยนี่ละนีลม่มดินไปซีโบหูจักบนดินนะ่ะน้ำมันซีโบหูจักบอกไฟเนี่มันควม ข้อมห่อนข้อมหนาวนึ่งคือโมโหจักหรือโมโหจักอยนี่ถ้ามันเป็นทนั้งหนาะโมโหจักแ่ะแต่คิดว่ามันไม่ดูร้อนไม่ดูหนาวไดูฝนซื่ อ, อมาจะของเป็มจงใ น, นว่าไข่อรส่นไข่ก็ดีปล้วยก็ดีแม่นอันเดียวกันเมดกอจะทั้งเหนาะ เม่นดินน้ำไฟล่มยู่ในเฮ้าหนิแล้วมันก็ลริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไปแบบเชื่อมแบบสลายได้เนี่ยมันสี้บกคือเก่ามันขี้บอยู่ซ้ำเก่าจนถอยดินน้ำไฟล่มในร่างกายหนิเนี่ยทางในกายเฮ้าหนิคิดว่บ่อยู่ซ้ำเก่านี่คือจังโลกเนี่ยคือกันหนึ่งแล้วทางนอกก็คือกันนี่แหละดินน้ำไฟล่มมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปขึ้นกันบ่อยู่ขึ้เก่าขึ้นกัน บ่ยูบ่เศร้าเด้เมนเบาคือจังเขาว่าโกใหม่โกนี่ใหญ่เนาะอาารยคือสิยู่ดนบ่ดนปะไหนเด้อจะเข้ากัใบแต่ลอนจะข้ากังาแห้งมือเศ้านียโยมเพิ่นเอาน้ำไปโตกไหม่บ่ท่านใหญ่ปไหนทานะใบแตสีแห้งสีเหี่ยวลงเดวสิตายเนี่ยมันเสื่อมไป ดินที่กันด้ดินที่กันดินนี่อยู่โดนป้ายโดนไปมันก็เปลี่ยนกับแฝงดอกถ้าแล้วเธอล่มก็หอบหอบออกดินจากนี้นี้ไปน้ำก็บมาพัดอสกดินนี้ไปแน่ดินกับเปลี่ยนที่กันดินน้ำเธอร่มเปลีป่ยนแฝงทั้งหมดมเขาอจะสื่อยู่สัมบายซื่อได้ ใ, ใจเขาขึ้นเนี่ยขึ้นว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าทุกิจรทุกยางเป็นอนิจจัง อันคว่ำว่าอันนิจจังแปลว่าคว่ำมันอายุจังสั่นดนเด้ออันหล่ะอันนิจจังมันอยู่อยู่อยู่ปดนคือจังเข้านีแล้วเนี่ยยูเป็นผู้เป็นคนนี้เป็ซี่นี่ดนไปไหนเอาอยู่เป็นสาวเนี่ยยูเป็นดนปันไหนยู่เป็นสาวอยู่เป็นเบาเนยู่ดนปไหนเนี่ยบ่กท่านดนเด้ค่อยๆห่างไปแล้วได้ไหมห่างไปร้ายเตือบแล้วห่างร้ายแล้วแล้วแน่ว รังคนเมื่อซ้ําแถวน่ยเห็นบ้างังคนเฮียนเขาเฮียนเขาเฮียนเขารังคนเหมือรุดซ้าแขวรุดแถวเกาโปมี่เลยเอาแขถวไว้มาใช่มันสี่ายูแต่แถวได้ว่างเลยมันสิฮอดเป็นแนวอืน่นแต่นั่นอีกอันนั่นละ่ะเฟินว่ามันเป็นอนิจจังแห่เ้ากันหูเมือ่อแห่เ้ากันซ้อมแม่ซ้อมอนิจจังนี่ยซ้อม เจ้าของเน่ยมันซ่อมเห็นยากขอบมันคือด้วยเจ้าของเนี่ยดีอยู่เรื่อยดีอยู่ดีอยู่สุดย่ำโบมีอันสี่ชีร่ายโบมี่อันสีบ่ดีฉันว่าเฮ็ดยังแต่เจ้าของเนี่ยและเฮ็ดคือพืชแต่พืชคือฉันพูดไรมาเ้ามาสวนจังหน่อยเหรอว่าอะไรล่ะใจให้ทิพย์กันให้ภากันคิดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทั้งน yeah. um ั yeah. ้นเม็ดถุกแนวทุกอย่าง บ่าวายจนได้เหาได้โตเห่าหนอกโตเห้าเนี่ค้นลังคนกับกำลังเก็บกำลังป่วยคือบ่เห็นบ่ค้นเจ็บคนป่วยนะ่ยหันบ่เห็นเราไปล้งพยาบาคเด้อคนป่วยเน่ะไปยืหันละกองอางยาอยู่หันละ่ะคนป่วยเนะี่ยคือแน่วซือแนวเป็นนั่นแหะมันเจ็บมันป่วยไปเรื่อยโตเห่ากับเป็ี่ยนชื่อกันมันหันบ่พอเอาไปกองยู่หันที่ซื้อเด้อ ไอพี่เจรนาอย่ า, นางนี้เราไอคืดไปนี่คืดต่อไปว่าโอมันเอาบไดายตัวห่างไกลนี่เอาบไดาหาเอาเนือื่นเถอะเว้ยว้เสือเนีย่ยหาเอาเนือื่นพระพุทธเจ้าบอกอยู่หาเอาแนื้อื่นเอาอยังเอาใจพ ย, า ย, ายี่ามเนี่ยซ่อมใจเจ้าของไว้เนื่อยนีย่นั่งอยู่นี่ใจอยู่บนนอเป็นเือใจมัใ น, ในไปคืดอยู่สาย ซ่อมสล่ะผีที่ซ่อมพระพุทธเจ้าพนกราบังสิล่ะวาสติปัฏฐานพนว่าซ่อมเบืงซ่อมกายเจ้าของซ่อมผูกห่างเจ้าของนี่แหละมันนั่งอยู่นี่ซ่อมมันแนรมือนึงกับพซ่อมปีนึงกับพซ่อมย่กเทือนซ่อมมันเบืงโอ้มันอยู่จังใดเน้อมันนั่งอยู่บ้อดิหยุดยู้เซนยังสิล่ะซ่อมกายเจ้าของ ซ่อมกระเวทหน้าซ่อมเจ็บซ่อมปวดโอ้ตอนนี้หนาวจ้าหนูว่าไงตอนามนี้นหนาวหันลังมือนโอ้หนี่ปวดหัวเจ็บหัวนี่ซ่อมจิตเจ้าของสําคัญซ่อมบนจิตใจเจ้าของมันอยู่บน้นน้อนั่นแหละเหมืันกนารภาวนาะขันซ่อมยันสี่มันสี่หงมือที่ขี้พวกหูจังได้ว่าเฮาเกิดว่ามันจะเป็นคนซื้อยางไป่ ออกจากนีย่างไปหันออกจากานั้นย่างไปปุ้นเอาเข่ามาจับย่กงไปปากกลิ่นไปสวมไปไทยเอาขาเอาสิ่เอาส่งเอาเสือมาใส่เอาจีวรมาคุ้มว่ามันเท่านั้นเท่านัน้โอ้มันนี่ใหญ่น้ำตัวอะไรกันมันนี่ภูคิดมีภูหงมือที่เห็นบอมีภูหงมือเหรอมันมันบ่แ ม, ม่นคนแล้วอาจารย์มันก็นน จ, จีหัจักอย่าอมจิตนอซ่อมโอ้มีภูหนี้อยู่นั่นมีตัวมีจิตนั่อยู่เสียน ต้อการวิธีนาจิตถ่ำซ่อมท่ำอยูคือซ่อมให้มันเห็นว่าโอโมมีอันไหนดูดด๋วอยู่ดำบางดำเข้าเท่ววานั้นเป็นอันิจจังว่าต็มทอนี่แหละเพื่นให้ซ่อมอันซ่อมแมงมุนีซ่อมท่านเพรท่านเห็นจซ่อมทั้งนอกนกองกะไดนะซ่อมเข้ามาในจัของโอ้ในในห้าหนี่กับโมมี่โมมีอันไหนอยู่ตัวนี่มีสีเหลือสีเสห้างไปไข่นาเท่านั้นนี่นเพื่อ น, ใ ห, ห น, ห น, น, นให้เต็มท่อ รับมาหนิ่งได้ทา่ทานคิดท่าใจรักษาใจไว้แนวมันจะได้ดีใจแนวมันนันเอาไปได้รับเน่กินมันนี่นี่ยนี่ถ้วยนี่ซำมนนีกินเข้าไปกเลี่ยงนันแขนนั่นขามันนีและหานัเชอกกินเข้าไปกินร้ายพอดีเจ็บท้องซ้ำเอาไปได้ได้นี่งด้ซ้อเอาใจไว้เนี่